ระดลายชั้นก็อิ่มเลยชั้นจนอิ่มแต่บางคนอาจจะถนัดผ่อนแต่ผ่อนได้เนี่ยเราผ่อนเป็นเป็นวันสองวันเป็นการเป็นคราวจะพ่อไปเรื่อยๆชนิดที่ว่าฉันไม่อิ่มเลยเนี่ยไม่มีแรงนะไม่มีแรงมันคล้ายๆกับว่าร่างกายมันทํางานไม่เต็มที่ของมัน มันต้องการจะขับจะย่อยจะอะไรไม่เต็มที่ไม่พอกระเทนกระเทือนกับการทำงานของมันเราในขณะอดถ้าผ่อนเนี้อดเลยดีกว่าอดเลยสี่วันห้าวันก็ได้สองวันสามวันก็ได้เดี๋ยวนี้เริ่มอดเริ่มอดวันแรกเท่านั้นแหละมันเข้าล็อกเดิมแล้ว ว่เริ่มอดวันแรกเท่านั้นแหละมันเข้าลอกเดิมละมันเบามันไม่ง่วงภาระก็น้อยว่อดออกภาระมันน้อยตอนเช้าแล้วรานั่งตื่นตีสองตีสามเรานั่งมาเรื่อยๆนั่งจนสว่างสว่างแล้วไม่ออกอ่ะไม่ออกจากห้องอ่ะหมดกี่ยกกี่ยกกัดต่อยอยู่นั่นแหละกี่ยกกี่ยกกัต่อยอยู่นั่นแหละ นั่งไปเรื่อยบางทีสามโมงเช้าสี่โงเช้าไม่มีทระเขาไม่ได้ไปเรียกอะไรบางทีก็นั่งจนฉันาร้อนน่ะนะบางทีตะเลิดฉันาร้อนอีกไม่ออกมาซ้านั่งได้ไม่มีอะไรหยดลงท้องเลยนะตั้งแต่เช้าไปจนฉันาร้อนน่ะนะไม่มีนั่งสบายไป ร่างกายมันก็ปรับตัวให้มันพอดีอยู่ในห้องปรับตัวพอดีปรับตัวพอ ด, ดีเราไม่ได้ออกมาเดินไม่ได้ออกมาอะไรอเราก็อยู่สบายนะภาราน้อ ย, อยเป็นการถนอมเวลาความรู้สึกของเรานี่เราว่าอดข้าวนี่ยอดอาหารเนี่ยมันเป็นการถนอมถนอมสุขภาพนะ การที่เรามาฉันทุกวันทุกวันฉันเต็มอิ่มแปร่ทุกวันทุกวันทุกวันมันทําให้ร่างกายมันทํางานหนักมันทํางานหนักทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันอถ้าเราจะเทียบกับเครื่องยนต์เหมือนพวกเรามันทํางานทุกวันทุกวันมันสึกหรอแต่ร่างกายของเราเนีมันสึกหรออยู่แล้วเพราะว่าธาตุขันข้างในมันเสื่อมไปมันสิ้นไป เราต้องรับทานอาหารเข้าไปเพื่อให้มันได้บำรุงซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอนีมันไม่เหมือนเครื่องยนต์เราเทียบเฉยๆที่มันไม่เหมือนเครื่องยนต์เครื่องยนมันเป็นเหล็กร่างกายของคนเรามันเป็นเซลมันมีเซลแต่และเซลมีชีวิตมันสร้างเนื้อสร้างตัวของมันได้ว่าแต่ว่าเราบารุง ธาตุภายนอกเข้าไปให้มันเนี่ยมันก็บำรุงซ่อมแซมส่วนที่ศึกหรอเข้าไปมันแต่เราอดเราอดเลยเนี่ยเราอดแต่ว่าเราฉันอาหารเอ้ยเราฉันน้ำตาลเราฉันน้ำหวานฉันปานะเนี่ยก็อาศัยน้ำตาลมันไปช่วยให้พลังงานพลังงานนี่ก็ช่วยบ้างอ่า แต่เราก็สังเกตของเราอยู่ตลอดมันอยู่สุขสบายของมันแต่กำลังวางชามันก็ผ่อนปรับตามสภาพของมันอดจนติดนะใครมีนิสัยชอบกดกดกดกดจนติดอดเอ้ตั้งใจภาวนานอดเนะ่ยนั่งอยู่ไม่ลุก นั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนาภาวนาอยู่นั่นแหละถ้ามันจะหลับไปก็งี่บเดียวนั้นแหลอะอมันไม่หลับหรอกลุกขึ้นมานั่งภาวนานั่งอยู่นั่นแหละนั่งเจ็บนั่งปวดนั่งอะไรก็อยู่นั่นแหละสู้กันอยู่นั่นแหละโอ้อันนี้สงเยอะจริงๆอันนี้สงมากมายจริงๆ การที่เราตั้งใจอดอดทนต่อสู้อันนี้สูงมากจริงลองทําดูมันเป็นการปรับจิดปรับใจปรับร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะนั่งภาวนาง่วงนอนเราผ่อนอาหารท่าน้ำช่วยได้อดนอนผ่อนอาหารเนี่ยอดนอนผ่อนอาหารมันเข้ากัน ถ้าใครต้องการไม่นอนไม่อยากหลับนอนเนี่ยผ่อนอาหารอ่าอดอาหารเพราะอดอาหารเนี่ยมันอดนอนได้ในตัวของมันเองมันไม่หลับมันไม่อยากหลับร่างกายมันเบาลอดโปร่ง ม, มันอยู่ได้ทั้งคืนถ้าเราจะนั่งทั้งคืนเนี่ยเราต้องอดเราต้องอดอาหารต้องหัดอดอาหารหัดอดอาหารและหัดนั่งตลอดทั้งคืน นั่งสับเปลี่ยนอิริยาบถก็นั่งไปก่อนตราบใดที่เอาอิริยาบถเดียวยังไม่ได้คือจิตใจมันยังเข้าลึกไม่ได้ยังเข้าละเอียดไม่ได้มันถึงนั่งอิริยาบถเดียวไม่ได้มันยังปล่อยทิ้งไม่ได้มันยังทิ้งไม่ได้มันยังห่วงกังวลความเก็บความปวดอยู่ยังทิ้งไม่ได้ก็สับเปลี่ยนไปรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วขยับ จะพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกอะไรเพื่อแต่ไม่แต่แต่ต้องการอยู่ตลอดทั้งคืนอย่างนี้ก็ทำทำไปอย่างนี้ก่อนอยู่อิรยาบทเดียวยังไม่ได้สับเปลี่ยนไปก่อนเราอยู่บนตานเนี่ยทำอย่างนี้เกือบทุกวัน อ, อยู่ทั้งคืนะจะอยู่อิรยะบทเดียวมันอยู่ไม่ได้สับเปลี่ยนยงนี้แหละ เกือบทุกวันวันไหนอดอาหารเอาละเดินบางนางางั่งบ้างบังทีถ้าเราไปเดินเดินมากๆ ม, ม, มันใช้กําลังมันใช้กําลังมันกลับเป็นว่าเหนื่อยเร็วเหนื่อยเร็วร่างกาย ร, ร่างกายเหนื่อยเร็วร่างกายอ่อนเพลียเมื่อร่างกายอ่อนเพลียมันก็อยากหลับเหมือนกันนะมันอยากพักผ่อนของมันสู้สู้แล้วนั่งไปเลย เราทำถึงแม้ว่าเราจะสับเปลี่ยนเราจะพลิกซ้ายพลิกขวาก็ตามแต่เราไม่ปล่อยไม่ปล่อยอารมณ์ที่เราประคองอยู่เนี่ยมันจะสงบขั้นไหนระดับไหนอยู่ในขั้นที่ว่าเราสรับเราเปลี่ยนเนี่ยเราประคองไว้เราไม่ปล่อยจะอยู่ในในในช่วงระหว่างที่เราพิจารณาก็ตามอยู่ในช่วงระหว่างที่เราทําให้สงบก็ตามเราไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยนความรู้สึกไม่เปลี่ยนไม่ปล่อยเราตั้งใจเราเปลี่ยนอิริยบทก็ตามแต่เราไม่เปลี่ยนเราไม่ปล่อยนี่ก็ไม่เสียมันเป็นการประคองมันมีหักมันมีหากมีทุ้จักผ่อนสั้นผ่อนยาผ่อนยาวให้กับตัวเองเราต้องเอาวิธีนี้ด้วยไม่ใช่ทําไม่สงบแล้วก็เลิกทําไม่สงบแล้วก็เลิกนั่งปวดแล้วก็เลิกนั่งไม่สงบแล้วก็เลิก นั่งทั้งปีทั้งชาติก็ไม่เห็นมีความอัศจรรย์อะไรหลวงตาท่านไม่ให้ทำแบบเอาหัวชนฝานะท่านให้พลิกแพลงแบบนี้แหละอดนอนบ้างพ่อนอาหารบ้างเดินจนเหนื่อยบ้างนั่งจนเหนื่อยบ้างนั่งทั้งคืนบ้างนั่งทั้งคืนแบบไม่ใช่อิรยาบทเดียวนะ แต่ถึงขั้นอิรยาบทเดียวได้นั้นมันมันมันมันมีขีดขั้นของมันอีกอันหนึ่งถ้ายังไม่ไม่ถึงขีดไม่ถึงขั้นมันทําไม่ได้หรอกมันถึงขั้นทิ้งไม่ได้มันทําไม่ได้มันต้องทิ้งได้หมดทิ้งร่างกายทิ้งอะไรทิ้งได้หมดถ้าทิ้งได้นี่ไปได้แต่ว่ามันไม่ใช่ไปตั้งใจทิ้งเฉยๆนะมันต้องมีกําลังของมัน่ะ มันโปรงตกของมันมันปล่อยเข้ามันมันโปรงตกของมันมันปล่อยเข้ามันมันทําได้แต่ไปนั่งตั้งใจปล่อยเฉยๆไม่ได้เด้อตั้งใจปล่อยเฉยๆไม่ได้มันต้องมีผลสืบเนื่องมีผลสืบต่อทําไปหากรู้เองเข้าใจเองหาได้กําลังเองเราทํางี้เราเราได้กําลังเร็ว เราได้กำลังเร็วเราเห็นความอัศจรรย์ข้างในได้เร็วมันได้ทั้งสมาธิมันได้ทั้งปัญญาไปในตัวจับเปลี่ยนที่นั่งภาวนาบ้งางถือสุดงบ้างอดนอนผ่อนอาหารบ้าง ถือสัตจะทุดดองคือสัตจะแหละทุดดองไปรับอาหารตามสองบ้างเนสัตชิกเป็นคืนๆบ้างคําว่าเนสัตชิกคือไม่นอนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไม่นอนมีสองระดับระดับหนึ่งไม่นอนไม่อยู่ในอิริยาบทนอนเยียดก็ตามแต่ว่าหลับได้บางทียืนก็หลับ บางที่นั่งกันหลับอันนี้ยังถือว่าปกติธรรมดาแต่ไม่นอนและไอ้ไม่นอนอีกอย่างหนึ่งนี่มันโร่ทั้งคืนนานอันนั้นอันเนอันนั้นเ น, น, น, น, นสัต ช, ชิกที่ได้กําลังแล้วนะัมันโร่ทั้งคืนนะไม่หลับนะทั้งคืนนั่นแหละทุกขณะจิตนะ่ะทั้งคืนน่ะไม่หลับลองทําดูลองทําให้ได้ดูอันนี้เนสัต ช, ชิก เนสัตว์ี่คือนั่งเราจะนั่งที่ไหนนั่งที่กุฏิเราแะไรมันปลอดภัยดีถ้าเราจะเอาทั้งคืนนะหรือเราจะเปลี่ยนที่ไปอยู่ตามพลานหินไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้อยู่ข้างหลังวัดเรามีเยอะแยะไปพาหมู่ไปสักอ ง, งสององสามองค์พอเป็นหมู่กันเออท่านอยู่ตรงนี้ไปเออเอาองนั้นอยู่ตรงนั้นเออองค์นี้อยู่ตรงนี้อยากเดินบ้างขลุกขึ้นมาเดิน เดินเหนื่อยก็เข้าไปนั่งนั่งเหนื่อยก็มาเดินเดินเหนื่อยก็นั่งอันนี้หมายความว่าในสัจฉินะนี่ก็เป็นทุก ด, ดงอันนี้เราทำทุกวันไม่ได้ดอกต้องทำตามดูดูกำลังของตัวเองทำทุกวันทำไม่ได้ 2,3 าวันเอาครั้งหนึ่ง 2,3 ส, สาวันเอาครั้งหนึ่งหรือทำติดกันสองวันสมวันแล้วก็หยุดไปสองวันสมวันได้ อีกวิธีหนึ่งก็ไปอยู่กลางแจ้งพลานหินตรงไหนเนะี่ยไม่มีร่มไม้ไม่มีอะไรไปอยู่กลางแจ้งอันนี้ก็เป็นทุตดอกนะอับพหาทริกอยู่กลางแจ้งอยู่อยู่ในที่ไม่มีที่มงุงไม่มีที่บังไม่ไม่ใช่หน้าฝนแบบนี้เนะี่ยอยู่ได้เราก็ไปนั่งแล้วไปอยู่กลางแจ้งหรือเราไปอยู่กลางแจ้งมี มีกรดนั่งอะไปกลางอยู่แต่เราถือว่าเราอยู่กลางแจ้งไม่อยู่ร่มไม้อยู่ในที่อยู่ในม้งม้งกรดเนี่ยนั่งอะวันนี้ไปหาดูในดอดไม่มีว่าจะหามาให้หมู่ใช้ไปหาดูไม่มีถามร้านนั้นก็ไม่มีร้านนี้ก็ไม่มีมันต้องสั่งกรุงเทพนลยนคราวที่แล้วเราบอกไปที่บวรผลก็หาได้ไปอินเดียคราวที่แล้วนี่ เขหาหาให้ฉุกเฉินนลยนะหาได้สามอันถ้าเราสั่งไปนี่น่าจะหาได้เยอะมันเหมาะสำหรับหิ้วไปแนละไปกลางนั่งตรงไหนก็ได้ออันนี้เหมาะสําหรับพระนะแต่พวกไม่ชีพวกอะไรไปทำํำยังไงไม่ได้หรอกพระเข้าไปตรงไหนก็ได้ครับสะดวกสบายพวกเราก็เดินนั่งเดินนั่งอยู่ที่กุฏิเรานะั่นแหละสะดวกตั้งใจทําเอาแหละ ถ้าเราไม่สู้ไม่สู้คือไม่ได้ตั้งใจทำขนาดนี้เรายังไม่ได้แล้วเราถอยแล้วมจะได้อะไรในเมื่อเราตั้งใจทำแล้วไม่ได้เราถอยมันจะได้อะไรไม่ได้ก็ต้องบึกบึนหน้าตะพื้นใช้สติใช้ปัญญาให้ความกระสัพยายามใช้ความภาคความเพียรต่อเนื่องไปแค่นี้ไม่พอแค่นี้ไม่พอเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไป เพิ่มจนเห็นคุณค่าของเวลาทุกระยะทุกขณะจิตนั่นน่ะเพิ่มถึงขนาดนั้นความภาคความเพียรเคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆบ่อยๆแหละท่านเอาอุปมาการสีไฟสีไม้ให้เกิดไฟมาเปรีย บ, ม า, ยบมาเปรียบเทียบการทําความเพียรน่ะเหมือนกับคนสีไฟสีไฟนี้พระพุทธเจ้าท่านได้อุปมาข้อนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้เองนะ ได้อุบายอันนี้เกิดขึ้นก่อนวันตรัสรู้ครองได้อุบายอันนี้เนี่ยอุบายสีสีไม้ให้เกิดไฟเนี่ยมาเปรียบเทียบกับผู้ทําความภาคความเพียรเพื่อจะได้อาจได้ทำเนี่ยอ่สีสีไม้ให้เกิดไฟคือไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้สดด้วยชุ่มด้วยยางไม้สดมันไปชุ่มด้วยยางอ่ะแหละ นอกจากสดแล้วชุม่มโดยยางแล้วยังแช่อยู่ในน้ําอีกนี่บุรุษต้องการไฟเอาไม้ที่สดชุมด่มโดยยางแล้วก็แช่อยู่ในน้ําเนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วก็มาถูให้เกิดไฟเหนื่อยเปล่าท่านวันเหนื่อยเปล่าเรามาพิจารณาดูตามหลักความเป็นจริงแล้วมันก็เหนื่อยเปล่าแล้วไม้สดสดชุมด่มโดยยางเนี่ยมาเสียให้เกิดไฟได้ยังไง ที่จะสีไฟที่จะสีไม้เกิดไฟได้จะต้องสีไม้สดเออต้องสีไม้แห้งแล้วก็ใช้ความเพียรอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องแล้วก็หนักหน้าไปเรื่อยอไม้สดเอามาสีเหน็ดเหนื่อยเปล่าอันนี้ท่านท่านเปรียบเหมือนบุคคลที่มีกายมีกายหมกมุ่นอยู่ในกามคลุกคลีอยู่ในกาม มีจิตคลุกคลีอยู่ในกามมีกายครุกคลีอยู่ในกามเนี่ยต้องการให้ตั้งตั้งใจภาวนาตั้งตั้งใจทําภาวนาด้วยเหตุที่ครุกคลีอยู่ในกามแล้วมันจะมีเวลาอะไรมากจิตใจก็นึกคิดเรื่องกามการประศิษจากกามต่างหากมันจะเป็นเหตุให้ธรรมะเกิดได้โดยเหตุที่จิตไม่ประศิษจา ก, กามต้องการให้ธรรมะเกิดมันเกิดได้ยาก มีบุคคลผู้ที่ไม่มีกายออกจากกามไม่มีจิตออกจากกามเนี่ยจึงทำความเพียรให้เจริญงอกงามได้ยากทำให้จิตเจริญงอกงามได้ยากเราฟังแล้วเรามาเทียบดูกับตัวเราอันนี้บุคคลเป็นบุคคลประเภทหนึ่งนะอีกบุคคลอีกประเภทหนึ่งมีกายออกจากกามแล้วคำว่า ก, กาย เกี่ยวข้องหมุนวุ่นอยู่ในกามัานคือยังอยู่บ้านอยู่ช่องมีลูกมีเต้ามีการมีงานมีอะไรคลุกคลีอยู่เกี่ยวกับเรื่องกามกายของเราไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องกามจิตมันก็วุ่นวายอยู่แต่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะได้ความสงบมันจะได้สติปัญญาโดยทําได้ขึ้นมาได้ยังไงบุคคลประเภทที่สองมีกายออกจากกามแล้วมีกายออกจากกามแล้ว เหมือนบุคคลที่เอาไม้สดชุ่มด้วยยางถึงแม้ว่าจะอยู่บนบกเอามาสีให้เกิดไฟก็ยากอีกเหน็ดเหนื่อยเปล่าอีก เ, เน็ดเหนือยอีกเพราะอะไรเพราะร่างกายออกจากกามแล้วหมายความว่าเราออกจากบ้านแล้วมาอยู่วัดอยู่ว่ามาบวชแล้วเนี่ยกายออกจากกามแล้ว น, นั้นเนี่มาบวชแล้วเนี่ยแต่จิตยังไม่ออกจากกามจิตยังกังวลวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องกามอยู่ภายในจิตนั่นแหละ เปรียบเสมือนไม้สดชุ่มด้วยยางบุรุษต้องการอมาสีให้เกิดไฟย่อมเนื่อเหนืยเปล่าอีกเกิดก็เกิดได้ยากเมื่อไลายไม้ตัวนั้นจะแห้งที่จะให้เกิดไฟขึ้นมาได้มัรู้จะใช้เวลาสักเท่าไหร่สีไปสักเท่าไหร่มันถึงจะเกิดนี่เราฟังนี้เราก็ย้อนมาที่ตัวเรามันชัดเลยนะชัดเลยกายยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกามกายออกจากกามแล้วก็ตามจิตยังไม่ออกจากกาม เพราะธรรมะจะเกิดก็เกิดที่จิตจิตเป็นกายอจิตเป็นประธานธรรมะไม่ใช่เกิดที่กายกายเป็นสภาวะธรรมเป็นรู ป, ปรธรรมที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไระความรู้สึกที่มีในกายนี่มันเกิดขึ้นจากการที่มีจิตมาเกาะเกี่ยวเท่านั้นเองถัดตายแล้วเนี่ยไม่รู้สึกเมื่อนคนตายเขาเอาไปเผาเนี่ยไม่เคยมีความรู้สึกดอกคนเป็นๆที่รู้สึกได้เพราะว่ายังมีจิตอยู่ มีกายออกจากกามแล้วแต่จิตยังไม่ออกจากกามจิตเป็นประธานในกายในจิตนี้ในเมื่อจิตหมกมุ่นคลุกคลีอยู่ในกามเองฉนันไหนเลยธรรมะจะพึ่งเกิดขึ้นได้นี่บุคคลประเภทที่สองเรามาเทียบดูที่ตัวเราบุคคลประเภทที่สามมีกายออกจากกามแล้วมีจิตออกจากกามแล้ว กายก็ไม่คลุกคลีอยู่ในกามจิตก็ไม่นึกประวัติเรื่องกามไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องกามทั้งหมดไม่นึกละตั้งใจภาวนาเพื่อจะให้ธรรมะเกิดขึ้นอย่างเดียวเหมือนบุคคลประเภทที่สามเหมือนบุคคลประเภทที่สาที่ออกมาจากมีกายและจิตออกจากกามแล้ว เปรียบเสมือนบุคคลที่ต้องการสีไฟสีไม้ให้เกิดไฟไม้แห้งอยู่บนบกไม้แห้งอยู่บนบกไม้แห้งอยู่บนบกปรุษต้องการสีให้เกิดให้เกิดไฟขึ้นสีไปแล้วก็หยุดสีไปแล้วก็หยุดสีไปแล้วก็หยุดสีไปแล้วก็หยุด ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไฟมาใช้หมายความว่าเราทําความเพียรไม่ถึงนี่หมายความว่าเราทําความเพียรไม่ถึงกายเราก็ออกจากกามมาแล้วจิตเราก็ไมน่นึกได้คิดเรื่องกามเลยเราก็ตั้งใจทําความคภากความเพียรแต่เราทําำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดทําำหยุดหยุดเหมือนคนที่เอาไม้แห้งไปสีไฟเนี่ยสีให้เกิดไฟเนี่ยเราเคยทํา เอาไม้ไปสีทําให้เกิดไฟนี่ยทำได้ใช่นะทําเดี๋ยวนี้ก็ได้ใช้เลยแหละเนี่ยเรารู้วิธีทํานะไฟเนี่ยเอาเอาไม้ไผ่มาสีทําให้เกิดไฟคือเอาไม้ไผ่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเท่ากับสองฝ่ามือเนี่ยเอาไปตั้งไปตั้งเป็นสารขึ้นเอามีดเหลาๆให้มันแหลมเป็นสารขึ้นและไอ้ไม้ไผ่อีกอันหนึ่งก็เท่าสองฝ่ามือหรือสามฝ่ามือก็กได้มาเจาะรูกลาง แล้วเราวางขวางวางขวางแล้วเจาะรูนิดหน่อยให้มันทะลุลงไปทะลุลงไปที่ไอ้ไอ้สันของข้างล่างตัวข้างล่างอ่ะที่มันจะถูขึ้นมาแล้วก็ขูดขูดขูดขูดขูดขูดผงละอองที่ละเอียดที่สุดเป็นขุยละเอียดที่สุดอ่ะขูดขูดขููแล้วไปใส่ไปใส่รอบข้างไอ้ตรงที่มันโผล่ขึ้นมานั่นแหละเพื่อให้มันคอยรองรับความร้อนเสร็จแล้วมันจะมี มีเศษขยะมีอะไรใส่ประกบลงไปหลายๆอัานซะหน่อยหนึ่งแล้วก็มีไม้อีกตัวหนึ่งประกบลงไปบนนั้นอ่าแล้วก็มือสองข้างจับสองสองข้างนีง่แหละแล้วก็ถูไปถูมาถูไปถูมาถูไปถูมาอ่าถูไปถูมาพอหน่อยแล้วก็หยุดอ่าความร้อนที่มีอยู่ในเมื่อเราหยุดความร้อนมันก็เย็นด้วยเย็นด้วยนี่บุคคลประเภทที่สามนะเราสรุปว่าเราทำความเพียรไม่ถึง ทําความเปลี่ยนถูไปถูไปถูไปถูไปถูไปเริ่มร้อนขึ้นมาซะหน่อยจนเหนื่อยหยุดเพราะเราหยุดมันก็เย็นแล้วถูไปอย่างนี้จนถ่ายไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วดูประมาณนี้ก็ขำดีนะถูไปทลามนจะเกิดถูไปถูไปเหนื่อยซะหน่อยเมื่อหยุดไฟมันจะเกิดขึ้นได้จากการเสียดสีสีไปสีมาสีไปสีมามันจะเกิดความร้อนสีไปสีมาเหนื่อยหยุดเอาความร้อนที่มีอยู่มันก็เย็นแล้ว เย็นแล้วก็เริ่มถูอีกก็เท่ากับเริ่มต้นใหม่อีกแล้วถูไปถูไปเริ่มร้อนสุดแล้วก็หยุดนี่บุคคลประเภทที่สามนะออไม่ได้ไม่ได้ไฟใช้ธรรมะไม่เกิดภายในใจแบบนั้นเถอะความสงบก็ไม่เกิดสติปัญญาก็ไม่เกิดแต่เราไม่ปฏิเสธว่ามันมีพื้นมีบาดมีฐานนะไม่ปฏิเสธเพราะการกระทํำสิ่งต่างๆเหล่านะี้ย่อมมีวิบากย่อมมีผลเราปฏิเสธไม่ได้ นี่บุคคลที่สี่ประเภทที่สี่เหมือนเหมือนบุคคลที่มีกออกจากกามแล้วมีจิตออกจากกามแล้วทำความเพียรหนักหน้าโดยยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนเอาเป็นเอาตายเข้าสู้เข้าแรกนี่เหมือนบุคคลสีไฟเอาไม้แห้งเอามาสีกันนั่นแหละ สีไปเรื่อยสีไปเรื่อยสีไปเรื่อยสีไปเรื่อยสีไปเรื่อยพอรู้ว่ามันเริ่มร้อนแล้วขยับหนักหน้าไปเลยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยพอรู้สึกว่าจะติดอมีควันมีอะไรขึ้นขยับใหญ่เลยใชนี่ยขยับใหญ่เลยดูไปเห็นมีไฟแดงแดงแล้วเอาปากเป่าเอาปากเป่ามันก็ออกเป็นเปลวขึ้นมาพอออกเป็นเปลวขึ้นมาเปลวเปลวที่มันออกมานั้นมันก็ไปกินขยะอยู่ข้างๆที่เราใส่ให้มันนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่กองฟืนที่เรา แต่งเอาไว้แหละได้ไฟใช้นี่เราฟังอันนี้เป็นอุปมาแล้วเราอยู่ระดับไหนเราอยู่ขั้นหนึ่งหรือขั้นสองเป็นบุุษที่หนึ่งบุษที่สองหรือบุษที่สามหรือบุุษที่สี่เราหมดสงสัยทันทีเลยว่าทำไมเราถึงอยู่ระดับไหนขั้นไหนหมดสงสัยเลยไม่ต้องตอบไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นเลยรู้ใ่ใจทันทีเลย นี่เป็นอุปมาที่พุทธเจ้าท่านทรงเกิดขึ้นกับพระองค์ก่อนที่พระองค์ตัดสู้ไม่กี่วันนะอุปมาเปรียบด้วยบรุษสีไฟอันนี้อันนี้เราเราทราบแล้วว่าอ๋อขั้นตอนขีดขั้นของการทําความภาคความเพียรเพื่อที่จะได้อาจได้ทํามาใช้มันเป็นอย่างนี้เราฟังอุปมาอุปมานี้ก็ฟังง่ายๆนะเข้าใจง่ายๆให้จําไว้ให้จําไว้จําไว้ได้เลย อุปมานี้จําไว้ง่ายๆบุคคลประเภทหนึ่งไม่มีกายออกจากกรรมจิตไม่ออกจากกรรมกายก็ไม่ออกจากการรมคลุกคลีอยู่ในบ้านนั่นแหละจิตก็คลุกคลีแต่เรื่องกามเรื่องการทํามาหากินเรื่องอยู่ในแวดในวงครอบครัวเนี่ยเสียดสี ด, ด้วยลูกด้วยเต่าด้วยอะไรทแต่ไรและยังอยากภาวนาโอ๊ยเป็นไปได้ยากแตก่เราก็ไม่ปฏิเสธผลที่จะพึ่งเกิดขึ้นนะ ถ้าตั้งจิตตั้งใจที่จะทำได้อย่างเต็มที่แม้แต่เขามีครอบครัวรักษาศีลศีลห้าเนี่ยตั้งใจทำโดยยิ่งขึ้นไปด้วยผลด้วยอั น, น้สงสงที่ตั้งตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องนี่ก็มีขึ้นได้เป็นขึ้นได้เหมือนอย่างหลวงปู่พรหมเอวยหลวงปู่บัวนี่ยหลวงปู่บัวน้องแสงเอวยเนี่ยเนี่ ย, นยจนท่านทิ้งหมดนะทิ้งสมบัติพระสถานออกบวชทั้งผัวทั้งเมียน ทำได้บุญญาบรารมีแตกต่างกันเราไม่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ปฏิเสธปฏิเสธไม่ได้หลวงปู่พรหมเนี่ยเขาว่าหลวงปู่พรหมกับหลวงปู่บัวนี่เป็นพระโสดาบันตั้งแต่ยังยังไม่ได้บวชนะตั้งใจทําความภาคความเพียรได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนะอันนี้ตามที่ฟังเล่าเล่ากันมานะเพราะฉะนั้นจิ่งสละทิ้งหมดอย่างหลวงปู่พรหมนี่กับประกาศ แจกสมบัติพระสถานแจกบ้านแจกช่องแจกนาแจกอะไรแจกญาติแจกพี่น้องแจ ก, แจกใครต้องการอะไรเอาไปหมดออกบวชกันทั้งปวัวทั้งเมียเลยแล้วก็ลุงปู่ลุงปู่บวัวเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงมีชื่ อ, ม, อมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งฝ่ายกรรมฐานของเราเราไปสืบถามสืบทราบอ่านประวัติดูท่านจะโด่งดังมากเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมข้างในอธิเป็นพระธาตุทั้งสององค์ หลวงปูบ่บัวกับหลวงปู่พลมจิระปุญโยเนี่ยเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้บุญญาบารามีอย่างงั้นบางคนจะบรรลุธรรมตั้งแต่ยังไม่ได้บวชอายุเจ็ดขวบอมันรุ่นธรรมแต่ยังตั้งแต่ยังไม่ได้บวชอย่างนากวิสาขามันเป็นพระโสะดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะ่ยพวกโสปาตะสมมาเนติสะสัมมาเนนเป็นพระอรหันตั้งแต่เจ็ดขวบเนะ่พระราหุนเนี่ยเป็นพระอรหันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะ สิ่งเหล่านี้เราปฏิเสธไม่ได้เราฟังอุปมาณ้อุปมาณ้ก็ไม่ใช่จะเป็นของตายตัวแต่เป็นเครื่องมาเทียบเคียงสลับตัวเราเองเนี่ยเราจะไปเทียบเทียงกับคนอื่นไม่ได้เทียบเทียบเคียงกับตัวเราเองออเราอยู่ขั้นนี้เราอยู่ระดับนี้เราอาจจะมีกายไม่ออกจากกามคือยังอยู่บ้านแล้วก็มีจิตยังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่เราก็พยายามเอาจิตออกห่าง แต่เราอยู่บ้านนั่นแหละพยายามเอาจิตออกจากห่างและทำความเพียรหนักหน้าไปเรื่อยหนักหน้าไปเรื่อยเพราะเราปลดระหว่างได้ถึงแม้จะอยู่บ้านเราก็ยังปลดระหว่างได้ทํความเพียรติดต่อกันสี่วันห้าวันเจ็ดวันครอบครัวก็ให้ลูกอยู่ตามสบายเมียอยู่ตามสบายเราบำเพ็ญเพียรออกมาวัดบำเพ็ญเป็นการเป็นคราเอาความเพียรหนักหน้าเข้าไปเรื่อยน่ใช่ไม มันมีช่องมันมีโอกาสที่มีได้มันเป็นได้นี่มันมันไม่ตายตัวบุคคลที่หนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้เราเอามาเทียบอุปมาทั้งสี่อย่างนี้เราเอามาเทียบกับตัวเราเนี่ยเราจะเอาขั้นไหนระดับไหนเราอาจจะอยู่บ้านแต่เอาเราอาจจะเอาความเพียรระดับบุคคลที่สี่ก็ได้เอาความเพียรเอาจิตอออกห่างจากกาม แดี๋ยวทำความภากความเพียงขยับหน้าไปได้ขยับหน้าไปได้ไม่ปล่อยเอาเป็นเอาตายเข้าสู้เอาจนชาดจนติดเหมือนกนเถอะถูจนไฟติดแน่ชัดเจนเลยเราฟังอุ ป, ปมานี้เป็นอุ ป, ปมาหรือเราชัดเจนเลยอืมอพอสมควรเกิเวลามัาง้งสองทุ่มคึ่งนะเอาละพอสมควรเกิเวลาเมื่อกี้ก็พาสวด ทิพยมณ์ของท่านพลีจนฟาดจนหมดฟาดจนเหนื่อยแหละนะจนพวกนั้นกลับมาแล้วเราเพิ่งสวดจบเนี่ยเขาไปสวดไะไกุสลามาติกาเนี่ยไม่กี่บทเองเราสวดหมดกุนศิวิชัยอุนหิตสวิจโยเนี่ยพอดชงทิพย ม, มนณ์ท่านพลีแล้วก็บทสวดประจำวันของเราเราสวดันหมดเกือบเป็นชั่วโมงอะ่ะแล้วเราก็มาคุยกันนิดหน่อย เพิ่มแค่งเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะวันนี้เป็นอันว่าเลิกเท่านี้วันนี้เลิกแค่นี้นะใครฟังได้อะไรเป็นคติเตือนใจก็เอาไปเอาไปทำและหนังสือเอาไปเป็นคู่มือนะหนังสือมาสลาก็ถือมาเป็นคู่มือมาดูมาเปิดมาสวดมาดูตั้งใจทําจริงๆนะเอาแบบบุรุษที่4คน คนที่สี่นั่นแหละเหมือนไม้อยู่บนบกทาความเพียรหนักหน้าเอาจนได้